พุทวาสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะในเวลาที่รายการสรรเสนีสนทนานะคะจะกลับมาพาท่านผู้ฟังมารับ ในวันนี้ขณะที่บันทึกรายการเนี่ยก็มีทางโทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวดิฉันจะไปกราบเรียนถามท่านไภบุลต่อกันแล้วกันๆ ที่อุดรนี่จัดได้ว่าตกทั้งวันทั้งคืนมั้ย 1 ถือบาดมือ ไปบิณฑบาตก็ไม่จริงๆมันก็ได้นะพอได้แต่ถ้าหนักขนาดที่เรียกว่าไม่ได้เลยก็ก็คง ไปไซบาร์ทซะเองใช่ๆค่ะก็สาธุกับท่านทั้งหลายที่ทําบุญอย่างนี้ด้วยดิฉันมีเพื่อนที่อืมเว้นแต่ว่า แก่อยู่มากๆแล้วบางคนก็เป็นกําพร้าแล้วนะแต่ติดใจที่ว่าสมัยที่คุณแม่ป่วย เอ่อถึงวันเนี้ยคุณแม่จากไปตั้งนานแล้วนะคะรู้สึกผิดมาเรื่อย คำพูดถึงเรื่องของศีลคือความปกติข้อ 1 ที่ ไม่ได้เป็นไม่ได้พูดหรือว่าเปลี่ยนเรื่องพูดไปนะการที่เราสมมุติเราอยู่นิ่งๆไม่ได้ ก็มีส่วนที่อยู่ในในศีลข้อนี้เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือถ้า น่ะคือเป็นวิบากที่เขาจะต้องได้รับก็คือความไม่สบายใจๆที่ นั่นคือแม่เสียนี่คือเป็นภาษาที่ไม่น่าพอใจมากถูกมั้ยเป็นภาษาที่เราไม่<ใช> นั่นก็เป็นเพราะว่าคุณยังวางตรงนี้ไม่ผล 2 อย่างจะเกิดขึ้นได้ นะร้องไห้อะไรต่างๆด่าหมดทุกคนพี่น้องหมอเอ่อลูกน้องสับเลืออะไรด่าหมดนะแล้วก็ระมัยคร่ําครวญอันนี้คือก่อนอะไรหลังมันจึงมันมันคิดไม่ นั่นนี่คือเกิดลักษณะนี้หรือหรืออันที่ 2 <คะ. S 1> เวลามีทิพัสาที่ไม่น่าพอใจมากระทบเลยมันก็จะมีความกราฟกราฟกระด้าง <คะ. S 1> ไอ้เรื่องนั้นนิดหน่อยๆแล้วมาคิดกังวลใจวุ่นวายจริงเนี่ยอืมอ่าๆมันก็ถือว่าโกหกนั่นแหละคือแต่ถ้า อ่าดิฉันกําลังจะพูดถึงว่าการกระทําเหล่าเนี้ยเกิดขึ้นแล้วเสร็จไปแล้วแล้วก็คุณแม่เองก็เสียชีวิตค่ะถ้าอ่ะเราน่ะทํา ทำกืนก็คือไอ้ที่ทําไม่ดีเนี่ยหยุดซะหยุดซะคือคือไม่พูดเอ่อเท็จใช่มั้ยทีนี้ไอ้ที่มันทําไปแล้วเนี่ยมันแก้ไม่ได้เพราะ แต่ในความที่คุณร้างใจอยู่ตอนนี้ถ้าถ้าได้ นะเช่นเดียวกันเปรียบเทียบกับผลวิบากที่มันจะเป็นทุกข์เนี่ยที่เรา สมาธิปัญญาทานศีลประพฤติธรรมเข้าไปทำมันทุกอย่างนะใส่บาให้ๆนะ ถ้าจะสรุปอีกทีก็ใช่ 1 นะค่ะค่ะอ่า 2, <น> นะ. 2> ค่ะอืมก็คืออย่าใช่ๆนะครับอ่าก็ให้ทานรักษาๆแล้วมันลืมยากเนี่ยใช่ คือก็เคยเกิดบางอย่างที่เราอ่ะคิดว่าลืม เราไปหาเอ่อเภสัชกรถามว่าจะเอายากันยุงใช่ยากันหรอกค่ะ เรเราก็ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าถ้าตัวเราเองยังว่าเฮ้ยเราอาจจะเป็นอย่าง อีกประเด็นนึงที่เค้าถามนะคะเค้าบอกว่าเอ่อทํายังไงคุณแม่จะได้ไม่อะไรอวอร์ดดิฉันไม่เข้าใจว่าท่านคะเอ่อคนที่ ยังติดใจก็คือคุณผู้ถามคําถามน่ะคิดว่าแม่ยังติดใจอยู่เพราะฉะนั้นใหม่ๆใหม่ๆ มันมันมันดีกว่าๆน้อยๆตรงเนี้ยเราทั้งห่าที่เป็น นําเป็นหน้าที่ของลูกอยู่แล้วในการที่จะทําทักษิณาทานอุทิศให้มารดาบิดาที่ล่วงลับไปแล้วเอ่อกระบวนการ นะคะอ่าก็จบไปเร 1, <ใช> 1> เรื่องแต่พูดถึงจะว่าจบไปอย่างนี้แถมให้ครบ นะเราใช้เวลาที่เหลือให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะแล้วก็ทําอย่าง 27 ตุลาคมซึ่งวันก่อนดิฉันก็ได้ จะทําก็อนุโมทนาช่วยประชาสัมพันธ์ให้อีกทางนึงก็อนุโมทนานะคะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็